สวัสดีครับเพื่อนๆ Facebook นะครับทําการโพสต์นะ คุณป้าเล็กท่านนี้นะเก็บของเก่านะครับประทางชีวิตนะครับแต่ด้วยจิต 50 ตัวเลยทีเดียวนะครับลําพังนะ อ่าคุณป้าทันนิท่านทํากับน้องหมานะครับเป็นภาพที่วตู่ใจผมยิ่ง พระเอ่ออาจารย์ตองหล่อนะครับหรือว่าหลวงอานะครับซึ่งท่าน 30 กว่าประสาทแล้วนะครับแล้วก็ อ่าจาก 2 ชั่วโมงนะ 2 ชั่วโมงกว่า GPS นะครับ Facebook ด้วยนะครับ Facebook ด้วยนะครับก็ไม่ การไหว้นะครับการไหว้ของคุณป้าเล็กซึ่งคือเอ่อย่อขาแบบผู้หญิงอ่ะครับแบบ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 เหมือนที่เก็บของมากกว่าเหมือนที่เก็บของมากกว่านะครับไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านนะครับซึ่งผมจะเรียกว่าบ้านก็คงไม่ หลังจากเดินตามท่านไปนะครับก็ได้เห็นนะครับอ่าสิ่งของต่างๆนะครับที่ผู้คนนะครับทําการบริจาค ท่านบอก 10 ปีแล้วแล้วนะครับ 50 ตัวเนี่ยเวลาเรานอนจริงมั้ยครับ 50 ตัวไม่สามารถ แต่ถึงจะแก้อย่างไรก็ยังมีนะครับยัง โคตรหูใจจริงๆนะครับเนื่องจากเวลาๆกันนะครับอยู่ใกล้กันแค่นี้เองแต่ว่า<ๆ> ลูกศาไม่จะมาเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ความเป็น ผมก็เลยตอบกลับไปหาคุณป้าเล็กว่าอ่าคือคุณป้าเล็กเนี่ยท่านไม่ คนก็ไม่เลี้ยงแล้วนะครับก็มาทิ้งนะครับอืมมันนึกว่ามีๆวันนะครับให้กับน้องหมา ซึ่งทุกวันนี้นะครับคุณป้าก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่ ช่วยเหลือคุณป้าแทนได้สามารถที่จะติดต่อนะครับไปหาคุณป้าเล็กได้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณป้าเล็กมาแล้วอยู่ในเว็บบล็อกแห่งนี้เลยนะครับถ้าไหนนะ เพื่อสะดวกนะครับกับบุคคลที่เอ่อไม่สะดวกนะครับที่จะใช้ๆนะครับดังนั้นแล้วผมก็เลยจะช่วยเหลือคุณป้าเล็กนะครับ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 คลิกอย่างไรไม่สวัสดีคลา